สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่81นะครับจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอัครทูตทั้ง12คนนะครับ่วันนี้มีเวลาเราก็จะพูดได้ถึง6คนนะครับเพราะเจตนของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักกับาสาวกของพระเยซูทั้ง12คนนะครับเราเห็นว่าสืบเนื่องจาก ครั้งที่แล้วโภชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบข้อสาสิบปนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่สิบข้อสามสิบแปโปรดฟังโภชนะของพระเจ้าผู้ใดไม่รับการเข็นของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ใดไม่รับการเข็นของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราที่น้องครับในมัทธิวบทที่สิบอ็บันทึกบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงตรัสสั่งสาวกสิบสองคนของพระองค์เสร็จแล้วนะครับ องค์ก็ได้เสด็จไปจากที่นั่นไปสั่งสอนและประกาศในเมืองของเขาเรารู้นะครับว่าจากวกของพระเยซูที่พระเยซูได้ส่งเลือกให้เป็นอัครทูต12คนนั้น mm hmm. เขามีภากรกิจพิเศษครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในวันนี้นะครับเราจะมาดูในคนแรกนะครับคนแรกชื่อว่าเปโตรเปโตรนั้นเดิมนะครับเขาชื่อว่าซีโมนนะครับคำว่าซีโมนนั้นก็จะเป็นภาษาฮีบรูนะครับส่วนเปโตรนั้น ก็มาอยากรากจับภาษากรีกครับซึ่งแปลว่าศิลานะครับเปโตร น, นั้นเดิมเป็นคนจับปลาครับเมื่อตอนที่พระเยซูทรงเรียกเขาให้มาเป็นสาวกมาเป็นอัครทูตพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปเราจะตั้งให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเมื่อพระเยซูได้ทรงตั้งพวกเรานะครับในการที่จะเป็นคนที่หาคนนะครับเหมือนกับคนจับปลา เราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับว่าเราจะต้องออกมาตามที่พระเยซูได้ส่งเรียกมีครั้งหนึ่งครับพระเยซูบอกกับเปโตรให้ออกไปจับปลาและในปากของปลาที่เขาจับได้นั้นก็มีเหรียญเงินที่มีค่าพอที่จะจ่ายภาษีของเขาได้เปโตรก็ได้สัญญากับพระเยซูนะครับว่าข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยแต่พี่น้องครับในคืนที่เขาอายัดพระเยซูนะครับพระเยซูได้ถูกจับนะครับ ก่อนที่พระเยซู จ, จะเสิ้นพระชนม์เปนเขนในคืนนั้นเองพระองค์บอกกับเปโตร ว, ว่าในคืนนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งและเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูจริงๆครับพระเยซูทรงรักเปโตรมากครับและพระองค์ทรงให้อภัยแก่เขาในภายหลังเปโตกรกลายเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่ในขึ้นแจากสมัยแรกเขาเขียนหนังสือเปโตรจบที่หนึ่งและสองในพระคัมภีร์ของเราด้วย กับในชีวิตของเฟโตนั้นก็มีสิ่งที่น่าเรียนแบบมากมายนะครับถ้าเราศึกษาในกิตติคุณทั้งสี่เล่มมัทธิวมารโกลูกายอนเราจะพบ ว, ว่าเฟโตนั้นมีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวครับคนต่อไปครับก็คือแอนดูแอนดูนั้นเป็นน้องชายของเฟโตและเป็นคนหาปลาด้วยกันเขาเป็นคนนำอาหารของเด็กชายตัว น, น้อยๆซึ่งมีขนมปังห้าก้อนและปลาของตัวมาให้พระเยซูครับพระเยซูโมทนาพระคุณสาหรับอาหารนั้น และทำการอัศจรรย์เพื่อเลี้ยงดูฝูงชนซึ่งนับเฉพาะผู้ชายได้ประมาณห้าพันคนเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานะครับในตามประเพณีของคริสจักรที่เรียกว่าเทดิชันนะครับเรื่องเล่าสืบต่อกันมากล่าวว่าแอนดรูนั้นยอมทนทุกทรมานเพื่อพเยซูโดยสถานภาพของความแรกระทูดหนึ่งในสิบสองคนนั้นนะครับโดยถูกขึงบนไม้กางเขนเป็นรูปกากบาทโดยไม่ต้องใช้ตะ ป, ปูตอก เพราะเขาเองนั้นรู้สึกไม่คู่ควรที่จะตายมเมงเขนเหมือนดังที่พระเยซูพระผู้ช่วยรอดของเขาได้ทรงกระทาแทนเขาเพื่อเขาเพราะฉะนั้นแอนดูนะครับตามประวัติศาสตร์ตามคําที่เล่าต่อกันมาแอนดู Andrew นั้นถูกตึงไมง เ, เขนเป็นรูปตัว x นะครับไม่ใช่เป็นรูปไม้กางเขนตามที่เราเข้าใจเหมือนกับที่พระเยซูได้ถูกตึงครับคนต่อไปครับก็คื อ, อยากรอบครับ ยากร บ, บุตรเสบดียากบนั้นก็เป็นคนหาปลาเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆของเขาครับบิดาของเขาชื่อเสบดีเมื่อพระเยซูส่งเรียกเขาเขาทิ้งอาชีพหาปลาในทันทีและติดตามพระเยซูตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมาบางครั้งเขาได้รับการขนานนามว่าบุตรแห่งฟ้าร้องเนื่องจากเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงครับมีครั้งหนึ่งขณะที่เบียซูทรงสอนเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ารดาของยากบก็มาถามพระเยซูว่า ท่านจะให้บุตรชายทั้งสองขอ ง, ของดิฉันนั่งต่อท่านในอาณาจักรของท่านได้หรือไม่แต่พระเยซูตอบเข้าไวย่างไงครับพระเยซูตอบเขาว่าท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังถามอะไรสถานที่นั้นได้เตรียมไว้แล้วสาหรับบุคคลที่พระบิดาทรงเลือกที่นครับชีวิตของคุณแม่ของยากบและยอนนะครับก็พยายามที่จะใช้เส้นขอร้องพระเยซูว่าพระเยซูช่วยเขา ให้ลูกเขาได้ดิบได้ดีแต่พี่เยซูบอกว่าอะไรครับบอกว่าท่านไม่รู้ว่าท่านกําลังถามอะไรครับสถานที่นั้นได้เปลี่ยนไ้แล้วสําหรับบุคคลที่พระบิดาทรงเลือกสแสดงว่าบุคคลที่พระบิดาทรงเลือกนั้นสิทธินั้นเป็นของพระบิดาครับพระบิดาได้ทรงเรียกและทรงเลือกเขาแล้วนะครับเขามีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบครับในการทําให้น้ำมันไทยแห่งการทรงเลือกและทรงเลือกนั้นสําเร็จ คนที่สี่ครับก็คือยอนยอนนั้นเป็นน้องชายของยากบครับเป็นบุตรของเซเบดีเหมือนกันคนอื่นมักจะเรียกเขาว่าอรารสาวกแห่งความรักหรืออรารทูตแห่งความรักยอนนั้นถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดครับและเขาเป็นคนหาปลาด้วยหลังจากที่มารดาของเขาได้ถามถึงเกี่ยวกับบัลลังแห่งราชนาจักรของพระเยซูแล้วพวกก็หันกลับมาหายอนและทรงถามว่าท่านจะดื่มจากถ้วย ซึ่งเราดื่มนั้นได้หรือพระยาชูกําลังพูดถึงความตายครับความตายของพระองค์เองความสิ้นการการทนทุกทรมานการสิ้นพระชนของพระองค์เองบนแม่แห่งเขนนะครับยอนนั้นก็ได้เขียนภกิติคุณยอนครับซึ่งเป็นภกิติคุณที่มีความลึกซึ่งภายใต้ภรรษาที่สละสรวยและง่ายดายและไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านอัครส า, าวกหรืออัครทูตยอนนั้นก็ยังเขียนพระธรรมยอนหนึ่งสองสามด้วย และรวมทั้งถึงวิวอนนะครับใ น, นภาคมภีรีของเราท่า น, นครับอีกคนหนึ่งครับคนที่ห้านะครับฟิลิปครับเพื่อนพีไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลิปมากมายนะครับนอกจากว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาอรารักษาวกหรืออรารักทูตที่พระเยซูทรงเลือกฟิลิปนั้นเป็นคนนําเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าบาโธรมิลหรือบาโธรมิลคนนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านาธานาเอลมาหาพระเยซูครับ หลังจากที่พระเยซูทรงกระทาการอัศจรรย์เลี้ยงคนประมาณห้าพันคนแล้วฟิลิปก็ช่วยเก็บอาหารที่เหลือได้ทั้งถึงสิบสองกระบุงเพื่อนครับ <c oughs> หลายลายคนนะครับถามบอกว่าเ อ, อ๊ฟิลิปทำไมไม่เห็นมีอะไรที่โดดเด่นนะครับไม่เหมือนกับยอนหรือไม่เหมือนกับยากอบหรือเปเปตโตรหรือตตรอันดนะครับฟิลิปเองนะครับจริงต่างๆที่ท่านทานั้นไม่เพียงแต่ท่านแต่ัครสาวกหล อ, อครทู แต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนนําเพื่อนที่ชื่อว่าบาโธรเมนะครับหรือนัทแทนเอลนั้นมาเป็นลูกศิษย์พระเยซูด้วยที่นั่นกับเราจะเห็นนะครับว่าเพื่อนชวนเพื่อนนะครับเพื่อนที่รักเพื่อนที่ไว้ใจมีไหมครับที่เขาจะไม่ฟังเราและเขาจะไม่สัมผัสถึงพระเจ้าที่เราสัมผัสอยู่พี่น้องครับนี่คือบทเรียนในเรื่องของฟิลิปนะครับอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือโทมัส โทมัสนั้นเป็นลูกแฝดครับแต่พระกมภี์ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับน้องคู่แฝดของเขาเขาเป็นที่รู้จักในฐานะของโทมัสคนขี้สงสัยนะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายครับจนกระทั่งวันนั้นที่พระเยซูป ร, รากฏให้เขาเห็นนะครับและเขาก็ได้เห็นได้ได้นะครับได้เห็นรอยที่ตะปูในมือของพระเยซูและแผลที่สีข้างพระเยซูบอกว่าเอามือของเจ้าเนี่ยมาแตะมาดูซิว่าเนี่ยเป็น รูที่อยู่ที่พระหัต์และที่สีข้างที่ดูกแทงนะครับโทมัสก็ร้องบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระพช่วยรอดของข้าพระองค์รงทรงเป็นเจ้าของข้าพระองค์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่โทมัสได้บอกว่าเรียกพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าเมื่อเขาพบว่าพระเยซูนั้นเป็นเครื่อเความตายจริงๆครับ เรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมานะครับเล่าเป็นตำนานมาก็คือว่าโทมัสนั้นก็เดินทางนะครับไปทางตะวันออกและเพื่อที่จะประกาศพระศาสนาครับประกาศพระคติคุณของพระเจ้าในที่สุดนะครับก็เดินไปถึงอินเดียนะครับเดินไปถึงประเทศอินเดียเลยนะครับแล้วก็ตั้งเครือจักรี่นันพี่น้องครับทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยนะครับเครือจักรที่ตั้งชื่อว่าเป็นเครือจักรของเซนโทมัสนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอินเดีย เห็นครับเราจะเห็นน่องรอยและเห็นประวัติศาสตร์ต่างๆที่เป็นของโทมัสอยู่ในประเทศอินเดียครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับหกท่านแรกน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับ พ, ร พ, รพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันครับอาเมน